ที่มักหน้า14ข้อ6 6 9เป็นการสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับนามรูปถ้าหากว่าเมื่อพระโยคาวจร น, นั้นกำหนดถือเอานามรูปโดยแนวทางนั้นๆมุกตัวนั้นแต่ว่าแนวทางแนวทางทั้งแบบพิสดารหรือว่าไล่มาย่อๆจนถึงนามรูปก็าตามคือเมื่อกำหนด รูปแบบนั้นไปแล้วเนี่ยจะกำหนดถือเอานามนามไม่ปรากฏเพราะเป็นธรรมชาติละเอียดอันเธออย่าได้ทอดทิ้งธุระเพ่งพิจารณามนุษการกำหนดถือเอาเพ่งกำหนดนามรูปนั่นแหละไปเรื่อยๆคือกำหนดรูปไปเรื่อยๆวิจัยรูปไปมากๆมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อพิจารณารูปมากไปเท่าไหร่นามมาทำทั้งหลายก็จะ ปรากฏชัดขึ้นเท่านั้นเพราะว่ารูปธรรม ท, ทั้งหลายเป็นวัตถุและเป็นอารมณ์ของนามธรรมถ้าหากว่ารู้จักวัตถุรู้จักนามรู้จักอารมณ์เนี่ยนะอุปมาเหมือนอย่างว่าถ้าเรารู้จักกลองรู้จักกับไม้ตีกลองกลองกับไม้ตีกลองทําความรู้จักแล้วหัดเคาะดูเคาะไปเรื่อยๆถามว่าจะรู้จักเสียงกลองไหมรู้จักได้ฉันใดถ้าวิเคราะห์ตาวิเคราะห์สีมากๆ เรื่องจิตเห็นนามธรรมา ท, ทั้งหลายจากขูทวารวิถีทั้งหลายที่เป็นไปกับการเห็นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากอะไรถ้าพิจารณาหูพิจารณาเสียงมากนามธรรมา ท, ทั้งหลายจิตเจตสิกทั้งหลายที่เป็นไปในทวารหูก็ไม่ใช่เป็นสิ่งยากอะไรจนเกินไปแต่ที่สำคัญที่เรากำหนดใส่ใจพิจารณาไม่ได้คือเราไม่ได้ทำปริญญาในหูไม่ได้ทำปริญญาใน เสียงก็เลยโสตะทะวานวิถีกระแสะความคิดทั้งหลายที่ไหลไปทางโสตะทะวานเราก็จะวิเคราะห์แยกแ ย, ยะไม่ออกการวิจัยการพิจารณาจมูกน้อยไปพิจารณากลิ่นน้อยไปเราจะรู้จักนามธรรมา ท, ทั้งหลายที่อาศัยจมูกกับกล่่เนี่ยน้อยด้วยพันธท่านจึงบอกว่าให้พิจารณารูปให้มากมากพิจารณารูปคือลิลนให้มากๆพิจารณารูปคือรสให้มากๆแล้วจะรู้จัก นามธรรมทั้งหลายที่อาศัยลิ้นกับอาศัยรถหรือกายก็เหมือนกันพิจารณากายพิจารณาโพธะพระให้มากๆาอ๊ะกายกับโพธะภาพอยู่ไกลกันไหมปวดหัวเนี่ยโพธะภาพอยู่ตรงไหนมันก็อยู่เยิ้มอยู่ทั่วไปหมดอ่ะนะเพราะนั้นกายกับโพธะพระบางทีมันอยู่ชิดกันใช่ไหมมันอยู่ด้วยกันในนั้นนั่นแหละอย่างสมมติปวดท้องเนี่ยโพธะภาพอยู่ที่ไหน ก็อยู่ในนั้นแหะอยู่แถวๆลำไส้อยู่แถวนั้นแหละพันธะธาตุพะทั้งหลายคือสิ่งที่มีอยู่ในณนะที่นั้นๆ น, น, นั่นเองนั้นโพธาตพะทั้งหลายก็คือสิ่งภายในที่อยู่ในตัวถ้าพิจารณากายมากพิจารณาโพธพตุมากกายวิญญาณเป็นต้นก็ไม่ให้เป็นสิ่งที่ยากอะไรทีนี้ในทางมโนทวารถ้าจะยากนิดหนึ่งคือการพิจารณามโนทวารเพราะคนนั้นจะต้อง แยกนามธรรมในส่วนที่เป็นกุศลอกุศลวิบากและกิริยาซึ่งสี่ส่วนนี้จําเป็นมากทวนอีกครั้งหนึ่งนะนามธรรมที่เป็นกุศลอกุศลวิบากและกิริยาต้องแยกแยะสี่ส่วนนี้ให้ออกถ้าแยกแยะสี่ส่วนนี้ไม่ออกนามธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะในในโลกของความคิดเนี่ยนะยากที่จะแยกได้ยากที่จะกําหนดได้ชัดเจนถ้ากําหนด ส่วนนี้ไม่ออกเนี่ยนะเราเจริญไม่เป็นหบอกกุศลธรรมนับว่าเจริญยากแต่ทีนี้ถ้ายังเจริญในส่วนนั้นไม่ได้กลับมาพิจารณาไอ้ตัวห ย, ยาบๆนี้ก่อนพิจารณาทวารตาให้มากทวารหูให้มากทวารจมูกให้มากทวารลิ้นให้มากทวารกายให้มากแล้วอพอจิตสงบระดับหนึ่งก็มาพิจารณามโนทวารถ้ายังพิจารณาไปอย่างนั้นไม่ได้ก็กลับมาปัญจะทะวารอีกตามเดิมก็พิจารณาอยู่อย่างนี้ให้มากๆขึ้น หรือไม่ก็หันไปเจริญสมถะอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นเหตุให้มีความเข้าใจในเรื่องของมโนทวารได้ดีขึ้นในเรื่องของมโนทวาร น, นั้นถ้าทั่วๆไปนี้ถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างลี้ลับอย่างที่กล่าวเมื่อวานว่ารูปธรรม ท, ทั้งหลายเป็นวัตถุแห่งอะไรรูปธรรม ท, ทั้งหลายเป็นวัตถุแห่งตัญหานามธรรมา ท, ทั้งหลายเป็นวัตถุแห่งอวิชชาถ้าหากว่าเรา วิเคราะห์รูปธรรมได้มากมเท่าไหร่ตัณหามันลดลงถ้าตัณหาลดลงนะวิชามันเกิดขึ้นได้เพราะว่าตัวนิวรณที่ทําให้ปัญญาไม่ค่อยมีกําลังนักหรืออ่อนกําลังลงคืออะไรรู้ไหมคือความโลภตัณหานั่นแหละมันทําให้ปัญญานี่ถอยกําลังลงก็คิดดูนะถ้าเราชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ค่อยพิจารณาสิ่งนั้นถึกเท่าไร่เราจะบอกว่ามันดีอย่างเดียวเนี่ยนะ มันจะได้อย่างเดียวจะดีอย่างเดียวไม่มีเสียเนี่ยอันนี้คือตัณหามันมันชีน้นําถ้าตัณหาชีน้นํากระสิ่งใดสิ่งนั้นเราจะลุ่มหลงมากถ้าหากว่าลดความต้องการลงปัญญามันเกิดขึ้นเพราะไม่ถูกนิวรณ์ทำให้ปัญญานี้ทุรพลทุระทุ ร, รพลเนี่ยแปลว่าอ่อนกําลังลงหรือหมดเรี่ยวหมดแรงนั่นเอง ทนการพิจารณาตัวนี้จึงพิจารณารูปให้มากมท่านบอกว่าพึงพิจารณาบาลีคําว่าสัมมาสิตัพังสัมมาเนี่ยก็มาจากคล้ายๆสัมมสาสัญาณ น, นั่นแหละสัมมาสิตาพังพิจารณาให้มากอันนี้เป็นลักษณะคําสั่งที่จะบอกต้องทําให้มากเลยทําทําอะไรตกลงให้ไปพิจารณาให้มากพิจารณาอะไรพิจารณารูปให้มากๆ ะะพิจารณา ร, รูปพิจารณาอะไรบ้างก็ถ้าเอาแบบพิสดารก็ไล่เลยใช่ไหมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นไล่ไปเรื่อยแล้วผมมีกี่รูปขนมีกี่รูปเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่และอย่างมีภูต ร, รูปและอุปาัตายรูปอย่างไรบ้างแล้วรูปเหล่านั้นเป็นธาตุอย่างไรเป็นจักรคูธาตุยังไงเป็นรูปประธาตุยังไงจกักรคูวิญญาณธาตุยังไง แล้วรูปเหล่านั้นเป็นจักรขวาอเยตนะอย่างไรเป็นรูปปายตนะอย่างไรคือเป็นอายตนะคือตาอย่างไรอายตนะคือสีอย่างไรและพิจารณาว่ารูปเหล่านี้เป็นขันอย่างไรแล้วย่อลงมาเป็นนามเป็นรูปอย่างไรก็ต้องกลับไปทบทวนของเก่าใครค ร, ว, ค ร, ครวนแล้วใครครวนอีกทบทวนแล้วทบทวนอีกเพราะว่าพอมาถึงระดับนี้รีบไม่ได้แล้วโอ้ยกลัวไม่ได้เจริญ ญ, ญาณสูงๆูงกลัวไม่สิทธ ไม่กลัวแล้วนะเพราะว่าไอ้ต้นๆน่ะนะกลัวอ่านหนังสือไม่ออกก็เลยไม่ต้องเขียนแล้วกอไก่อย่างไง น, นะก็ต้องซ้อมฝึกพยัญชนะอักขระให้ดีๆเดี๋ยวอักขระพยัญชนะหลักการสะกดเข้าใจดีแล้วก็การอ่านหนังสือไม่ใช่จะยากอะไรนี่ก็เหมือนกันเป็นไวยากรณ์ชีวิตเป็นเรื่องราวของชีวิตกําหนดจดจําให้ชัดเจนในเบื้องต้นเบื้องแรกเมื่อมีความรู้ความเข้าใจกําหนดจดจําเบื้องต้นเบื้องแรกเข้าใจเป็นอย่างดี การพิจารณาในรายละเอียดในระดับสูงก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากจนเกินไปเพราะว่าการวางโครงสร้างแบบนี้เนี่ยนะเป็นการวางโครงสร้างให้เราเรียนระดับสูงอยู่แล้วจึงไม่น่าหนักใจถ้าเราทำตามกฎเกณฑ์หลักการที่วิสุทธิมรรคท่านแนะนำเชื่อเลยว่าเราจะต้องเจริญคุณธรรมระดับสูงได้เพราะว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นแนวทางให้เจริญอธิปัญญาศิกขา ถ้าเรามีศรัทธานในคําสอนคิดตามคําสอนให้มากๆปัญญาก็จะค่อยๆเจริญขึ้นเองเพราะอันนี้คือวิธีรับปัญญาโดยธรรมชาติที่กล่าวว่าให้พิจารณามากๆเช่นสมมติว่าพิจารณารูปนะครับ เ, เช่นพิจารณามหาพูทธรูปเช่นธาตุดินหมายความว่าธาตุดินตรงปรากฏตรงนั้นหรือเปล่าเฉพาะหน้าตรงนั้นหรือเปล่า แล้วก็เกี่ยวข้องกับลักษณะที่จะตุกะหรือไม่นะครับหรือว่าเอาลักษณะที่จะตุกะของธาตุดินนั้นมามาสังเกตหรือว่ามาพิจารณาคือถ่าวางโครงสร้างลักษณะคำถามเนี่ยนะมันเป็นคำถามที่ขึ้นว่าเมื่อลักษณะตัวใดเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ลักษณะตัวนั้นไปนะเป็นการวางโครงสร้างแบบนั้น ซึ่งเชื่อเลยกว้างวางโครงสร้างแบบนี้ถ้าเปรียบเทียบอุปมานะเหมือนอย่างว่าถ้าเธออยากสะสมเงินทองนะเธอเดินไปตามถนนเห็นหนึ่งบาทเธอก็เก็บขึ้นมาเธอก็เดินไปอีกถ้าเห็น50สตังค์เธอก็เก็บขึ้นมาสะสมแล้วเธอจะเป็นมหาเศรษฐีพวกนันว่าเป็นไปได้แค่ไหนนี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่าคอยให้ถาดดินเกิดขึ้นมาก่อนเออนี้ดินนะถาดน้ําปรากฏขึ้นมาเออนี้น้ํานะ นี้ธาตุลมปรากฏขึ้นมาบอกนี่ลมนะธาตุไฟปรากฏเออนี่ธาตุไฟนะไอคาว่าปรากฏนี่หมายความว่าตามบาลีภาษาธรรมะปรากฏในปัญญาของบัณฑิตทั้งหลายแต่จากคำถามเมื่อกี้หมายถึงปรากฏทางปัญจทวารปรากฏทางประสาทสัมผัสอันนี้ไม่ได้เจริญประสาทสัมผัสแต่เจริญปัญญาปัญญานี่เป็นตัวที่เข้าไปเลือกเฟ้นเข้าไปวิจัยเป็นกิจการงานของผู้มีปัญญาทั้งหลาย ผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาวิจัยว่าสิ่งเหล่านั้นนะ่ะคือวัตถุการวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตเข้าไปวิจัยถ้าไม่วิจัยเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตอย่างแน่นอนเพราะเขารู้ว่าต้นสายปลายเหตุเป็นอย่างไรมาอย่างไรดงนั้นการวางโครงสร้างลักษณะวิสุทธิมัตจึงไม่ใช่ว่าเออเมื่อเธอไปพบมันแล้วค่อยเก็บมาพิจารณาไม่ใช่เลยอย่นะี ถามว่าเราต้องรอให้ตับออกมาปรากฏก่อนใช่ไหมปรากฏว่าอย่างไรเออตับคนยูนนั่นนะยื่อในกระดูกเนี่ยนะจะรอให้มันปรากฏอย่างไรเพรา ะ, ะนั้นคําว่าอาการปรากฏในทางธรรมะแปลว่าปรากฏในปัญญาของบัณฑิตทั้งหลายปรากฏแก่บัณฑิตทั้งหลายเพราะบัณฑิตทั้งหลายเข้าไปวิจัยเข้าไปวิจัยอย่าลืมว่าการเจริญพวกนี้เจริญทางมโนทวารไม่ได้เจริญปัญจทวาร ปัณฑิตาทวารเนี่ยท่านสอนให้ปิดมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แบบพระโพติละที่สา ม, มเณรแนะนำว่าเหมือนอย่างว่าจอมปลวกมีห้ารูอจอมปลวกมีหกรูถ้าหากว่าท่านจะจับเหี้ยจับตะกรวดจับหนูจับนกที่มันอยู่ในนั้นนะท่านต้องอุดห้ารูไว้ก่ อ, น, อนนะจริงๆแล้วขอมาก็เคยขุดหนูขุดขุดหนูเนี่ยนะสมัยเด็กๆก็ทำอย่างนั้นเหมือนกัน ก็คือไปอุดอุดอุดเราต้องไล่หารูให้มากที่สุดเท่าที่จะหาพบหาพบเสร็จก็หาใบไม้กิ่งไม้ไปอุดอุดอุดให้หมดแล้วค่อยๆขุดไปขุดแบบประมัดระวังขุดไปเรื่อยแล้วก็ขุดจนกว่าจะได้ขึ้นมาเวทที่นั่นมีนะถ้าไม่มีก็แล้วไปไปหาบอกไปหาที่ใหม่ต่อไปมนวันหนึ่งก็จะได้หนูเป็นครึ่งกิโลอย่างเงี้ยนะก็ไปเที่ยวขุดหนูแต่ว่านี้ก็ลักษณะเดียวกันบอกว่าปิดปัญจัทธวานให้หมดเลยนั่งกรรมไว้ใน มโนทวารตั้งกรรมไว้ที่มโนทวารทีนี้มโนทวารเนี่ยคนที่จะเจริญอย่างนี้เนี่ยพื้นฐานกรรมสกตาต้องดีอยู่แล้วสุตะต้องดีอยู่แล้วว่ากิจที่ตนพึงทำเนี่ยคืออะไรคือการวิจัยขันอายตนะธาตุเนี่ยนะขันอายตนะธาตุแล้วธาตุอันนี้ยกธาตุขึ้นมาเป็นตัวอย่างก่อนแล้วธาตุเป็นอย่างไรธาตุคือธาตุสี่ธาตุสี่คือปฐวีธาตุ ปัทวีทาธาตุกระจายแล้วเป็น20คือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นาธาตุน้ํามี12ก็คือน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ำหนองเป็นต้นาธาตุไฟมีอยู่สี่มีธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นเป็นต้นาธาตุลมมีหกลมพัดขึ้นเบื้องบนเป็นต้นปัญญาที่เข้าไปนั้นาธาตุโดยหลักการนี้เบื้องต้นท่านให้สาธยายก่อนให้ท่องให้สาธยายให้จนชํานาญจนไม่มีคำว่าสับสนจะขึ้นตรงไหนก็ได้ไม่รู้จักสับสน ชำนาญขนาดนั้นแล้วแต่ละคํามีความหมายมีอัตตมีความเป็นอย่างไรก็ปัญญาก็วิจัยตามที่ที่ศึกษาเพรผลการวิจัยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เจริญประสาทสัมผัสนะไม่ใช่เจริญประสาทสัมผัสถ้าเจริญประสาทสัมผัสถ้าเราจะกําหนดสีหน้าเราต้องไปเห็นหน้าเขาไหมทางพระวินยัยท่านถือบอกเสียหายมากานะในทางพระวินัยนะาทางปัญจทวารเนี่ยนะโดยเฉพาะถ้าต้อง ปรากฏทางกายทาวารด้วยยิ่งเสียหายมากเพราะฉะนั้นศีลทั้งหลายเชื่อไหมอยู่ทางปัญจาทาวารพระวินัยทั้งหมดอยู่ที่ปัญจาทาวารเกี่ยวกับเรื่องเห็นเรื่องได้ยินเรื่องจมูกเรื่องกลิน่นเรื่องรับสัมผัสนี่แหละมันมีเกี่ยวกับเรื่องศีลมีอยู่เข้านี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่รักษาศีลเนี่ยทาวารเหล่านี้ถูกปิดไปเยอะแล้วแล้วอภิชากับโทมนั์ที่เป็นไปกับสิ่งเหล่านี้ถูกระ ง, งับไปมากแล้วเพราะฉะนั้นจิตนั้นจึงเบาจากนิวรณิวรณ์ไม่กลุ้มรุม เมื่อนิวรไม่กลุ่มร่มนั้นปัญญาจึงเข้าไปเลือกเฟ้นปัญญาเข้าไปวิจัยเนี่ยนะปัญญาเลือกเฟ้นปัญญาจึงวิจัยอย่างที่กล่าวเช่นวิจัยตับเนี่ยนะพิจารณาตับพิจารณาเอ็นพิจารณากระดูกเยื่อในกระดูกพิจารณาไตาทั้งหลายท่านจะพิจารณาว่าอย่างไรจริงหลักการนี้พระคุณเจ้าก็ได้เม้นมันหลายครั้งแล้วนะครับที่ยกมาให้ท่านทั้งหลายฟังก็หมายความพวก พวกส่วนใหญ่มักจะชินกับว่าถ้าจะพิจารณาอะไรก็ต้องมีสิ่งนั้นปรากฏใช่ไหมครับเราชินกับอย่างนั้นมานานนะฮะตอนนี้ก็กที่พระอาจารย์ได้ยกตัวอย่างมานะครับว่าไม่ไม่จําเป็นเลยมันอยู่ที่เรื่องการกิจการงานทางใจที่จะวิจัยแม้แต่รูปเช่นว่ารูปเนี่ยขณะที่เราพิจารณาอริยบทเดินนะ่ยในขณะที่เรานอนอยู่เราก็พิจารณาอริยบทเดินได้ถูกไหมครับเ่นทาน อันนี้อันนึงหมายความว่าผมอยากจะชี้ให้เห็นว่านี่เป็นแนวทางที่พระอาจารย์ได้สอนมาหลายปีแล้วนะครับดังนี้ก็อยากจะม า, ามามายกมาให้เห็นชัดๆนะครับตอนนี้สําหรับเรื่องอทิฏฐิวิสุทธิ์ที่นี่นะครับถ้าพิจารณารูปบ่อยๆเนืองๆเนี่ยก็หมายความว่านอกจากจะกล่องให้เข้าแล้วจําได้จนคล่องไม่สับสนแล้วเนี่ยก็หมายความว่าอย่างน้อยที่สุดก็ต้องรู้ลัคณาที่จัตุ ก, กะเช่นสมมุติว่า ถ้าเป็นจกักขู่ภาษาท้าเนี่ยถ้าเรามีหัวข้ออยู่สี่หัวข้อให้พิจารณาจากักขู่ภาษาทาเนี่ยก็จะมีหัวข้อให้พิจารณาถูกไหมครับก็ในลัคนาที่จตุกะเนี่ยนะโดยลัคณาที่ลักษณะบวกอาทิเนี่ยนะธรรมสี่ประการมีลักษณะเป็นต้นเช่นลักษณะรัะปัจจุประธานะและประฐานะทั่วๆไปที่พยายามจะเน้นตอนนี้เน้นอยู่สองตัวคือลักษณะกับประฐานะ พูดสองอย่างเพราะว่าไอาลักษณะกิจกับอาการปรากฏเนี่ยแทบไม่มีความต่างอะไรกันเล ย, ยนะก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามองคนละมุมเนีย่ยนะมองคนละมุมทีนี้ถ้าหากว่าเข้าใจคําว่าลักษณะเช่นลักษณะของปัทวีธาตุลักษณะของเขาคือแข่นแข็งคือเขาจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหรอย่างไงเขาก็แข่นแข็งอันนั้นคือลักษณะของเขาทีนี้ถามว่าอาการเหตุใไ้ของเขาคืออะไรธาตุสามที่เหลือ ถ้าสมที่เหลือส่วนลักษณะของกิจหรือของอาการปรากฏนั้นเนี่ยนะก็สุดแท้แต่ว่าใครอยากจะพิจารณาแต่ละส่วนให้มันละเอียดยิบขนาดนั้นก็ได้แต่ถ้าละเอียดในในส่วนนั้นอ่ะนะจนถึงขนาดว่าต้องรอให้ท่องได้ก่อนอะไรก่อนก็ลองวิจัยดูกันแล้วกันว่าทําได้ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่จะทําได้อ่าในลักษณะที่เรียกว่าฉันจะต้องเอาปรัมัทธธรรมเนี่ยนะจิตทั้งหมด เยตสิกทั้งหมดรูปทั้งหมดมาท่องให้ได้ให้เข้าใจจนครบรักนาที่จตุกะทั้งหมดจึงค่อยพิจารณาอันนั้นก็คือดูถ้าจะโไม่มีจบแน่นอน น, น, นะคือคำว่าไม่มีจบหมายความว่าท่านจะห่วงว่าเอ๊ะนี่มันจะจําชื่อไม่ไหวซะแล้วนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะแนะนำในส่วนที่กำหนดในลักษณะใหญ่ใหญ่ไปก่อนกาหนดลักษณะใหญ่ๆแล้วสิ่งที่เหลือค่อยๆหาความรู้เพิ่มเติม นะค่อยๆหาความรู้เพิ่มเติมลักษณะการพิจารณาควบคู่กับสุตะเนี่ยนะให้พิจารณาควบคู่กับสุตตะเรียนสุตตะเพื่อประกอบการพิจารณาการพิจารณาเข้าใจมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะไปอ่านหรือไปฟังสุตตะได้อย่างกว้างขวางขึ้นมากเท่านั้น <c oughs> ที่ผมยกตัวอย่างให้ให้ใ ห, ให้ขึ้นมาเช่นจักขุภาษาธะนี่นะครับก็เป็นเป็นรูปที่ที่รู้ได้ ได้ทางใจนี่นะครับจากคุปาธาซึ่งเราไ ม, ไม่ไม่ชินมาเลยตั้งไหนแต่รายมาแล้วเราเรียนจากคุภาษาธานะหรือโตสตภาษาธานี่นะครับซึ่งลักษณะชัดที่จัตุกะเขาเนี่ยนะครับก็ก็ไม่ใช่เข้าใจง่ายนะครับก็ยกขึ้นมาก็เพื่อที่จะเห็นว่าการพิจารณารูปนี้เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นรูปที่สําคัญมากเนี่ยนะที่เป็นจักรุธานเนี่ยสำคัญมากเลยเนี่ยถ้าเราไม่รู้สี่อย่างแล้วผู้เจ้าบอกว่าให้รู้แค่สองอย่างพอหนึ่งลักษณะกับเหตุใกล้ใช่ไหมครับ ลักษณะของของจักรคูภาษาทาตุนก็คือความใสของมหาภูตารูปท่านกล่าวไว้เท่านี้นะความใสของมหาภูตรูปที่จะสามารถรับรับกระทบสีอย่างนั้นเถอะนะฮะอันนี้เป็นลักษณะก็หมายความว่าให้เราพิจารณาสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมฮะหรือว่าถ้าเหตุใกล้ก็หมายความว่าเหตุใกล้ที่จะทําให้จักรคูภาษาธาตุเขาเกิดเนี่ยเหตุใกล้ก็คือมหาภูตรูป ที่เกิดจากกรรมเป็นสมุดฐานนะหมายความว่าตัวจกกักรคุป萨ถ้าเขาเป็นอุปาถยรูปเขาอาศัยมหาพูทธ ร, รูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุดฐานเป็นเหตุใกล้ถ้าสองอย่างนี้ใช่ไหมท่านท่านบอกว่าเออเอาไว้ใหญ่ๆอย่างนี้ก่อนส่วนกิจหรือว่าอาการปรากฏนั้นเนี่ยก็ก็เอาไว้ก่อนเพราะว่ายิ่งยิ่งเห็นยากหนักเข้าไปอีกคือไม่ยากไอ้ที่ยากก็คือต้องไปท่องจําให้หมดเนี่ยนะ เพราะว่าที่การพิจารณาถ้าเข้าใจในแต่ละส่วนเนี่ยมันเอามาพิจารณาไม่ค่อยยากแต่ที่ยากก็คือการกําหนดจดจำเนี่ยยากทําไมจึงยากรู้ไหมเพราะว่าโอ้โหเราก็คิดดูนะรูปยี่สิบแปดคูณลัคนาที่จตุกะสี่เท่าไหร่นะเท่าไหร่แล้วนะก็เจตสิกห้าสิบสองคูณสี่เท่าไหร่โอหลายร้อยแล้วเป็นร้อยแล้วใช่ไหมนะแล้วโอเราจิต เกือบทั้งหมดเนี่ยนะจิต81สบเอมาคูณ4ี่เข้าไปอีกเราดูแล้วเรื่องยาวแน่เนี่ยนะบอกว่าเลิกแล้วพอแล้วปังแล้วก็ยกธงตั้งแรกแล้วท่านก็และอีกอย่างหนึ่งถ้าพูดตรงๆ ต, ต, ตามแนวพระไตรปิฎกแล้วอะ่ะท่านให้เอาพิจารณาแบบใหญ่ๆก่อนที่พอจะรู้ได้แต่นะไอ้ที่พอจะรู้ได้นะไไดใหญ่ๆเลยเช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรคือรูปคือให้ให้วางตำแหน่งให้มันรู้ก่อนว่าอะไรเป็นอะไร คือท่านมองลักษณะให้เห็นโครงสร้างใหญ่ๆก่อนส่วนรายละเอียดที่เล็กเลยเนี่ยนะจะค่อยๆเข้าใจทีหลังงนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยมีอยู่อยู่สองลักษณะด้วยกัน น, นะเท่าที่ฟังเนี่ยนะลักษณะหนึ่งคือเก็บผงทุกผงมาวิจัยให้หมดเลย น, นะทุกผงผงอันนี้มีสีอย่างนี้ผงอันนั้นมีผงอันนั้นอันนี้อีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาตัวใหญ่ๆมาแล้วค่อยๆแยกโครงสร้างค่อยๆแยกโครงสร้างแยกได้เท่าไหร่ก็จะได้ละเอียดเท่านั้นก็สุดแท้แต่ว่า ใครมีปัญญาแยกไล่ละเอียดยิบเนี่ยนะละเอียดยิบเท่าไหรก่ก็แล้วแต่ปัญญาของผู้นั้นที่มีความสามารถในการแยกคือแยกจากโครงใหญ่ๆมาจนเหลือย่อยๆก่อนอ่ะนะคือแยกจากคือค่อยๆผ่าค่อยๆผ่าออกมาเรื่อยๆเหมือนอย่างที่ว่าได้คล้ายๆกับนายอัตถกถามหาหัตถิปโทปมสูตรที่กล่าวถึงการตัดไม้ไผ่มาลํานึงใช่ไหมตัดมาต้นหนึ่งอ่ะนะแล้วมาทอนออกเป็นกี่ท่อน สี่ท่อนนะตัดมาเป็นสี่ท่อนแล้วหนึ่งท่อนเนี่ยเอาท่อนที่หนึ่งเนี่ยมาผ่าออกเป็นห้าชิ้นแล้วอีกห้าชิ้นเนี่ยมาผ่าหนึ่งในหนะ้านั้นมาผ่าออกทีละทีละชิ้นให้เป็นสอง เ, อเป็นนามกับเป็นรูปแล้วก็ยังผ่าไปเรื่อยๆผ่าไปเรื่อยๆแล้วผ่าให้ละเอียดจริงๆก็คือไม้ไผ่คือเส้นใหญ่ๆเส้นใหญ่ผลการการพิจารณาพระธรรมนั้นอยากจะให้เอาตามแนวที่ สาราลิบบ ท, ท่านแนะนําลักษณะนั้นจะเรียนแล้วกุศลจิตค่อนข้างจะเกิดมากแต่ถ้าอีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะลำบากในการท่องจํามากแล้วก็เหน็ดเหนื่อยพอทีนี้ถ้าเหนื่อยแล้วไม่มีกระจิตกระ จ, จายจะพิจารณาสักเท่าไหร่เพราะในลักษณะสุตันตนายนั้นจึงมีผู้นิยมศึกษาและปฏิบัติมากกว่าเน้นโดยอภิธรรมนายเนี่ยนะเพราะผู้ที่จะเรียนอภิธรรมนายเนี่ยโดยเฉพาะตามเมื่อวานก่อนไปพลิกๆกดูในยะมะกัศ ยมกะาเนี่ยเป็นการพูดเรื่องเดียวแต่ว่าวนกลับไปกลับมาเช่นนะจักขวายตนะจักขูชื่อว่าจักขวายตนะใช่ไหมแล้วก็มาไล่ไอ้คำว่าจักขู่มีอะไรบ้างบอกจักขูมีทิพจักขูมีอะไรนะพุทธญาณจักขุเช่นแล้วก็มีมังสะจักสุเพราะฉะนั้นก็บอกว่าทิพจักขุชื่อว่าจักขูแต่ไม่ชื่อว่าจักขวายตนะ ไอ้จักขูปภาสาธาเนี่ยเป็นจักขูด้วยเป็นจักขวายตนะด้วยอย่างเงี้ยก็คือมีการมาแยกแบบเนี่ยคือแยกไปแยกมาเนี่ยถ้าพื้นฐานใครที่จิตไม่ค่อยสงบนักเนี่ยนะจะไม่ค่อยจะได้อะไรเลยเนี่ยนะจะไม่ค่อยได้อะไรสักเท่าไหร่แต่ถ้าในลักษณะของพระสูตรคือที่เรากำลังเรียนโดยมากเนี่ยนะขอมาพยายามจะเน้นสุดตันตั น, นเพราะว่ามีผลต่อการเจริญสิก ข, ขามากที่สุดเนี่ยนะ แต่ถ้าเป็นลักษณะอภิธรรมมณ a นั้นน่ะคือการวางโครงสร้างจะต้องวางอย่างกว้างขวางกว่านี้อีกหลายสิบเท่านีนะจะต้องขึ้นวางโครงสร้างใหญ่กว่านี้เยอะอย่างถ้าแค่หลักการตามอภิธรร ม, มัตสังหะท่านถือว่าอภิธรรมนิ้วก้อยนะเล็กน้อยมากเนี่ยนะถือว่าเอาสารบัญมาเรียนกันนะอย่างอภิธรรมอย่างอภิธรรมัรรมมตสังหะเนี่ยนะเราก็มาเรียนเลยมาท่องว่าโลภ้ามีแปดดวงดวงที่หนึ่งสองสาสี่หกเจ็ดแปดมีชื่ออะไรบ้าง แล้วก็ปริเชษสองบอกว่าดวงที่หนึ่งมีเจตสิกอะไรประกอบบ้างดวงที่สามสิ่งพวกนี้โดยวัตถุโดยอารมณ์ปริเชษที่สีก็ว่าโดยวิถีไปเลยอันนี้คือวางแบบอภิธรรมมัตสังกะหะซึ่งเป็นการเรียบเรียงลักษณะสารบันมากกว่าทีนี้ในคมพีชันดีกาเนี่ยจึงมาบอกว่าเออจิตเนี่ยมีลักษณะที่จตุ ก, กะอย่างไรเป็นต้นแต่ถ้ามองโครงสร้างเหล่านี้ตั้งแต่อภิธรรมปีดกไล่ออกมาเนี่ยนะเป็นการวางโครงสร้างแบบโอยิ่งกว่าทะเลเนี่ยนะ กว้างขวางมากแล้วก็จิตแต่ละดวงอธิบายอย่างละเอียดละออดยิบนั้นถ้าเรียนในลักษณะนั้นมาในตั้งกะแรกเลยก็ประกาศถึงว่าลักษณะของผู้นั้นมีปัญญามากก็ก็ไม่สู้จะเป็นภาระสักเท่าไร่แต่ในการพิจารณาแบบธรรมดาทั่วๆไปอย่างที่เรากําลังกล่าวถึงเนี่ยเป็นการวางพื้นฐานในระดับธรรมดาที่เชื่อว่าพอจะเจริญได้บ้างแต่เจริญได้มากเจริญได้น้อยก็สุดแท้แต่ แต่ปัญญาของผู้ใดเพราะบางสูตรเนี่ยนะถ้ากล่าวแบบสุด ต, ตันตนายจริงๆเนี่ยนะบางสูตรเนี่ยพระองค์ก็สอนให้เอาสูตรเดียวนะเอาไปเธอเอาสูตรนี้ไปนะแต่ไปคุ้นคิดแล้วไม่นานสักเท่าไหร่ท่านเหล่านั้นก็ตรัสรู้อริยสัจจนได้ในในตอนหลังทั้การศึกษาพระธรรมเนี่ยนะโดยหลักการโดยเนื้อหาที่สุดของวิชานี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนวิชาที่เรากาลังเรียนนะจบที่ไหนกัน จบที่กําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ละสิ่งที่ควรละทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งและเจริญในสิ่งที่ควรจเจริญแต่ในตอนนี้เราก็ได้ไปพูดถึงสิ่งที่ควรกําหนดรู้ที่เรียกว่าปริญญาแต่การทําปริญญาทุกอย่างเพื่อการละเนี่ยนะทำปริญญาทุกอย่างเพื่อการละ แ, แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราละเดี๋ยวจะค่อยๆกล่าวต่อไปว่าถ้าวิจัยรูปนามมากแล้วจะละอะไรได้บ้างจะค่อยๆกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ทีนี้สิ่งเหล่านี้เราลองเอาไปใคร่ครวนในในชีวิตที่เป็นจริงดู น, นะตามโครงสร้างทั้ง6วิธีหรือ9วิธีที่ได้กล่าวไปแล้วในการแยกแยะรูปนามขันห้าที่กล่าวไปสรุปทบทวนอีกครั้งว่าพึงพิจารณา น, นะสัมมะสิตาพังมนสิกาตับพังแปลว่าพึงมนสิการปริคเหตตับพังพึงถือเอาโดยรอบหรือที่นิยมทั่วไปว่ากาหนดถือเอา ในที่นี้อัตถกถาท่านบอกว่าดีกาท่านบอกว่าพึงสอบสวนโดยลักษณะเป็นต้นอย่างถูกต้องทีเดียวอันนี้คือพิจารณานะพึงมนุศยการคือพึงตั้งไว้ในจิตอย่างนั้นกำหนดถือเอาด้วยปัญญาแล้วก็วิเคราะห์รูปแต่ละอย่างแต่ละอย่างโดยไม่ให้มีการปะปนกันเนี่ยนะถ้าหากว่าสาธยายอาการสามสิบสองมาโดยเบื้องต้นดีแล้วเนะี่ยอาการสาสิบสองเราจะปนกันไหมไม่ปน แล้วทีนีน้ในอาการแต่ละอย่างเมื่อมนสิการโดยภูตร ica, ูปและอุปาทายรูปเราคิดว่ามันจะปะปนกันไหม <Promised> ก็ไม่ปะปนกันก็มันพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าพิจารณารูปด้วยว่ารูปเป็นอันสะอาดดีคำว่าสะอาดแปลว่าไม่ยุ่งเหิงนะไม่ยุง่งเหิงแปลว่าแปลเป็นทดายว่าไม่สับสนพิจารณาแต่ละอย่างแต่ละอย่างจนไม่มีความสับสน ไม่สับสนโดยประการใดๆนามธรรมา ท, ทั้งหลายซึ่งมีรูปนั้นเป็นอารมณ์ก็จะจะเป็นอันปรากฏทีเดียว น, นะคือถ้าพิจารณารูปนั้นนั้นมากๆก็จะพิจารณานามที่ไปมานสกการรูปอันนั้นนั่นแหละเพรา ะ, ะการวิจัยรูปเนี่ยนะสมมติถ้าคนที่พิจารณารูปโดยอาชีพจริงๆเนี่ยนะรูปรูปเดียวท่านเอามาคิดเป็นกี่กี่นาทีดีคิดเป็นบางคนเนี่ยคิดเป็นวันๆเลยนะ รูปรูปเดียวใช่ไหมเอาเรื่องผมมาคิดนะท่านคิดเรื่องผมเป็นวันวันนะนะถามว่าเขาจะรู้จักนามมาทำที่ไปใไข้ครวนเรื่องผมม้างไหมรู้อยู่แล้วเนี่ยนะเหมือนเหมือนคิดง่ายๆอย่างนี้นะเราไปกโกรธสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรารู้ไหมว่าทําไมเราโกรธวัตถุนั้นเหลือเกินในตอนหลังนะพอรู้ได้ไหมรู้ได้ถ้าเราชอบวัตถุใดวัตถุหนึ่งเรารู้ไม่ทำไมจิตเราไปชอบวัตถุนั้นเหลือเกินเนี้นี่ก็เหมือนกันถ้าพิจารณารูปมากๆขึ้นนามมาทำทั้งหลายที่ มีรูปเหล่านั้นเป็นอารมณ์ก็ไม่ใช่จะเป็นของยากอะไรก็จริงๆนะถ้าเราบอกว่ายากยากมันก็จะยากเกินตายนั่นแหละใชแต่ทีนี้ก็พยายามจะบอกว่ามันเรียนรู้ได้สิ่งเหล่านี้ไข้ครวนได้ไม่ไม่เกินวิสัยรอกถ้าทําไม่ได้นะถือว่าพระพุทธศาสนาเสื่อมแล้วตอนนี้พุทธศาสนาเสื่อมหรือยั ง, ยงใครเชื่อว่าเสื่อมแล้วใครเชื่อว่ายังไม่เสื่อมคนมีศรัทธาเชื่อว่ายังไม่เสื่อม คนไม่มีศรัทธาเชื่อว่าเสื่อมแล้วมันก็แบ่งเอาว่าอยู่กลุ่มไหนเ อ, อ่อเดินถามไปคุณเจ้านะครับเ อ, อ่อทั้งแสดงว่าพิจารณารูปไปนะครับถ้านามไม่ปรากฏก็ให้พิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าที่เ อ, อ่อพระคุณเจ้าสอนเราก็เริ่มที่จะอบรมเนี่ยเราก็พิจารณาควบคู่กันไปพิจารณารูปบ้างนามบ้างแต่ในที่นี้แสดงเหมือนกับว่าการที่จะ รูชัดในนามจะต้องหมายถึงนามที่มีรูปเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นคำว่าปรากฏหรือว่าในปัจจุบันนี้ก็จะใช้คำว่าปรากฏเนี่ยนะครับมันมันหมายถึงยังไงแน่เพราะว่าขณะที่เรามีความเข้าใจในเรื่องเวทนาขันสัญญาขันเนี่ยขณะที่มีความเข้าใจคล้ครัวแล้วก็ใส่ลงไปในชีวิตของความเป็นจริงได้เนี่ยขณะนั้นไม่เรียกว่าปรากฏหรอกั ก็ไอ้คำว่าปรากฏเนี่ยของมาก็เที่ยวถามมาหลายเจ้าแล้วเหมือนกันก็ไม่เคยใคให้คําตอบชัดเจนสักเท่าไหร่เนี่ยนะคือเขาก็แล้วแต่ว่าไอ้คำนี้เนี่ยมันเป็นเนี่ยบาลีเขาว่าปากตาเนี่ยเรานิยมแปลปากตาว่าปรากฏไอ้คำว่าปรากฏในที่นี้เนี่ยนะถ้าหากว่าจากจะเน้นในโลกของชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยนะเราทำยังไงเราจะพิจารณาสิ่งนั้นได้มากตรงนี้ต่างหากที่เป็น เป็นวัตถุประสงค์ของวิชาเนี่ยนะวัตถุประความประสงค์ของวิชาอันนี้คือทำยังไงให้ผู้ที่ศึกษาเนี่ยไปคร้ครวญสิ่งนั้นตามตามเป็นจริงหรือมากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างเช่นนะเกี่ยวข้องกับผมมีการพิจารณาผมอย่างละเอียดเกี่ยวข้องกับฟันก็มีการพิจารณาฟันอย่างละเอียดเนี่ยนะสมมติท้านนามมาทาที่ปรากฏทางอานะยกตัวอย่างวันก่อนไ ป, ไ ป, ไปกรอฟันกรอเสร็จก็จะได้ อะไรนะอุดฟันเนี่ยนะสองครั้งบอกมันจะไปยากอะไรนา ม, มาทำมันก็เสียววาววาวอยู่ตรงนั้นนะ่ะนะได้ไหมอย่ามายากหรือไม่ยากเสียวฟันเนี่ยปวดฟันเนี่ยนะมายากถ้านา ม, มาทำเกิดที่มันปวดหัวเนี่ใครรู้นา ม, มาทำยากหรือไม่ถามว่ารู้ยากหรือไม่ยากอนนะถ้ากำหนดหัวได้ก็ไอความปวดหัวนี่มันไม่เคยมีมาก่อนใช่ไหยตอนหลังมาปวดหัวขึ้นพะะนันปวดหัวก็ไ อ, ไอตัวที่ปวดเนี่ยเป็นนา ม, มาทำที่เกิดขึ้นที่ ถ้าคิดอย่างนี้มันก็ไม่สู้จะยากอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าใครว่ายากก็ไม่รู้นะแต่ของมาว่าไม่เห็นจะยากอะไรเลยแต่คิดแบบพระพุทธเจ้าด้วยง่ายมากอาศัยจกักขู่กับรูปเห็นก็เห็นเนี่ยเห็นแล้วเพราะมีตามีสีการเห็นจึงเกิดขึ้นเพราะมีหูมีเสียงก็ได้ยินเสียงเนี่ยทุกคําแล้วก็ได้ยินอยู่แล้วเพราะมีจมูกแล้วก็ได้กลิ่นหอมมาเราก็รู้กลิ่นแล้วถ้าทวารลิ้นยิ่งง่ายงงายิ่งอมยาอมอยู่ตอนนี้ด้วยก็อาศัยลิ้นกับเนี่ยเม็ดอมก็เลยรู้รสแล้วเนี่ย มันหวานๆหน่อยเปรียปร้ยวๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจาได้แล้วแล้วก็ทาวารกายละ่ะอันนใครไม่นั่งแล้วไม่รู้จักปวดจักเมื่อยอะไรก็ถือว่าทําบุญอะไรมาเนาะเนี่ยนะไม่รู้จักคําว่าปวดไม่รู้จักคําว่าเมื่อยไม่รู้จักคําว่าร้อนหรือไม่รู้จักคําว่าหนาวอะไรเลยเนี่ยหรือกายภาษาท้าอาจจะมีปัญหาก็ได้แต่ถ้าคิดแบบพระพุทธเจ้าพระนะอาศัยกายกับโพธภาภะเกิดกายวิญญาณทีนี้ถ้าในโลกของนามมารำโดยเฉพาะความคิดทั้งหลายเนี่ยรู้ยากไหม คืนนอนไม่หลับเนี่ยหูยมันชัดมันหยาบเลอะเกินเนี่ยนะหลับสัทีเธอพอแล้วนี่มันดึกแล้วนะนอนได้แล้วมันก็ไม่ยอมเนี่ยนะถ้าอย่างงี้เป็นยังไงก็ใคร่ครวญดูอย่างเงี้ยทีนี้อ่าตั ว, ต, วตัววิชาที่มันยากจริงๆอะ่ะไม่ใช่ยากตรงที่ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามตัวยากจริงๆไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกตัวยากจริงๆอยู่ตรงที่ว่าถ้ารู้จักรูปหนึ่งรูปขึ้นมาแล้วคุณใส่ใจปัจจัยต่อไปซิ แล้วคูณการสามดูมันเป็นยังไงไอ้ตรงนั้ น, นจะยากแต่เบื้องต้นใส่ใจเป็นรูปเป็นนามเนี่ยไม่สู้จะยากอะไรแต่ที่ท่านวางเหมือนวางให้ยากเหลือเกินเนี่ยเพราะอะไรเพราะท่านต้องการระดับสูงขึ้นต่อไปท่านต้องการให้เราวิจัยระดับสูงซึ่งถ้าเราศึกษาในระดับสูงและจะรู้ว่าการวางโครงสร้างของท่านน่ะทำไมท่านจึงวางแบบนี้